การปฏิบัติเป้าหมายก็คือให้เราควบคุมใจให้สงบให้เป็นปกติให้เป็นเหมือนตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดก็ดีแต่มันจะเป็นได้เฉพาะบางเวลาตอนนี้สบายเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ใจก็ไม่เป็นปกติแล้วพอจะต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปใจก็ไม่สบายวเวลาจะต้องเจออะไรก็ไม่สบายพอจะเจอโรกภัยไข้เจ็บขึ้นมาใจก็ไม่สบายพอต้องเสียเงินเสียทองใส่ไปก็ไม่สบายใจกันมา ทำไมต้องไม่สบายใจไปกับมันทำไมเราก็สบายใจแบบนี้ไปสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจไม่ใช่เพราะเราต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือจะต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เป็นความความอยากของเราเองพอจะต้องเสียไม่อยากเสียก็ไม่สบายใจ พอจะต้องเจอไม่อยากเจอก็ไม่สบายใจก็เจอก็เจอเสียก็เสียเลยมีอะไรที่เป็นของเราบ้างมีอะไรที่เราจะไม่เสียบ้างนั้เวลาตายไปเราอะไรไปได้หรือเปล่าก็เสียทุกอย่างที่เรามีอยู่ก็มีเท่านั้นถ้าเราอยอมเสีย มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็อยู่อย่างสบายๆเสียก็เสียไปถ้าต้องเจออะไรที่เราไม่อยากเจอก็ให้มันเจอไปเลยเจอความแก่ก็เจอไปผมมันจะงอกก็ปล่อยมันงอกไปหนังมันจะเหิวก็ปล่อยมันเหิวไปไปทำไรได้เปล่าไปห้ามมันได้ปเปล่าแล้วไปทำให้ใจไม่สบายทำไม ใจไม่ได้เป็นอะไรเลยกับร่างกายร่างกายเป็นแต่ร่างกายไม่เห็นมันเดือดร้อนเวลาหนังเหิวร่างกายมันเดือดร้อนหรือเปล่าร่างกายมันบอกช่วยไปดึงดึงหนังให้หน่อยแล้วมันก็ไม่ได้บอกเวลาผมหลกร่างกายบอกช่วยย้อมผมให้หน่อยวะมันไม่ได้เดือดร้อนเลยแต่ใจเราทำไมไปเดือดร้อนแทนร่างกายทไม ก็เพราะความอยากอยากสวยอยากงามก็เลยไม่อยากแก่แก่แล้วมันสวยไม่สวยนะมนไม่สวยนะใช่ไหมเรื่อ ง, ง่ายๆการปฏิบัติไม่มีอะไรยุ่งยากรักษาใจให้เราเป็นปกติเหมือนตอนนี้ตอน น, ตอนนี้หัวเราะได้ยิ้มได้ให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดเวลาเท่านี้ไอ้จอยากเย็นลงไหน ใจก็ไม่ได้เสียอะไรไปของที่เสียมันก็ไม่ใช่ของใจเนี่ยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของใจทรัพสมบัติข้าวของเงินทองก็ไม่ใช่ของใจใจไม่มีอะไรเป็นของตนเองเลยนอกจากตัวเองเท่านั้นใจมีสมบัติอยู่ชิ้นเดียวก็คือใจนอกกนั้นไม่ไม่ใช่สมบัติของใจร่างกายนี้ไม่ใช่สมบัติของใจ ลาบยศต่างๆก็ไม่ใช่สมบัติของใจเราจะไปหวงมันทำไมเดี๋ยวก็ต้องเสียมันไปหมดเสียร่างกายไปปั๊บมันก็เสียลาบยศสรรเสริญเสียรูปเสียงกลิ่นรอดไปนี่คือหลักการปฏิบัติถ้ามองจริงๆแล้วไม่ยุ่งยาก ง, ง่ายตรงไปตรงมา ทำใจให้เราเป็นปกติเหมือนตอนนี้ใจเราปกติไหมไม่ร้องไห้ไม่เป็นบ้าไม่อะไรไม่โลภไม่โกรธไม่หนุงไม่อยากกับอะไรเนี่ยตอนนี้ก็เป็นผ้าหล า, านกันแล้วเนี่ยแต่เป็นผ้าหล า, านชั่วคราวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเห็นขนมปั๊บก็โลภขึ้นมาเห็นเงินทองก็กโลภขึ้นมา พอไถดาหน่อยก็โกรธขึ้นมาหายเลยจากผ้าอราหารันกลายเป็นปุถุชนไปเลยเนี่ยนี่ให้มารักษาความเป็นผ้าอราหาันของเราูร้กันพวกเราเนี่ยเป็นผ้าอราหาันกันแล้วตั้งแต่อราหาันชั่วคราว เ, เดี๋ยวพอมีเหตุการณ์อะไรมากระทบหน่อยผนะ้าอราหันวิ่งหนีเลย ยักมาหนออมาแทนเนี่ยแยกเขี่ยวใส่กั น, นอ้านี่แหละก็แค่นี้แหละจิตใจเราจิตใจเราถ้าตอนนี้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เป็นธาตอาหารแล้วพยายามรักษาใจของเราอยาใใกให้โลภให้โกรธให้หลงให้ได้ทำให้ใจเราสบายอย่างตอนนี้เราสบายไหมเราเดือดร้อนไหยเราทุกข์กับอะไรหรือเปล่า นี่แหละคือวิทย์เป้าหมายของการปฏิบัติก็มีอยู่แค่นี้รักษาของดีที่มีอยู่แล้วเท่านั้นเองไม่ได้ให้ไปหาอะไรเลยรักษาของที่เรารักษาไว้ได้ก็คือใจของเราใจที่เป็นปกติใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเท่านี้เองใจที่ไม่อยากกับสิ่งต่างๆ ตัวที่ทำให้เราไม่ได้เป็นพระอรหันต์กันก็คือตัวโลกตัวโกรธตัวหลงตัวอยากเนี่ยพอโผลขึ้นมาปัา๊บพระอรหันต์ก็วิ่งไปเลยหนีไปเลยหายวับไปเลยกลายเป็นปุตุชนขึ้นมาเต็มที่นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติ รักษาใจของเราให้เป็นปกติตลอดเวลา24ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ให้ใจเราวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้วุ่นวายด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงให้ใจเราสักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆท่านเอง พระพุทธเจ้าสอนให้คนฉลาดฟังเขาฟังปั he, he, he ๊บเขาก็เป็นพระอรหันต์เขาเป็นแล้วเขาเขารู้เขาพอเขาฟังปั๊บเขาก็เข้าใจว่าไม ìn, ่เห็นมีอะไรเลยก็รักษาความเป็นพระอรหันต์ของเราให้เป็นต่อไปเท่านั้นเองไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้อยากเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปเห็นแล้วโลภอย่า อย่าไปเห็นแล้วโกรธอย่าไปเห็นแล้วหลงอยากได้ออยากไม่ได้ถ้าอยากขึ้นมาก็แสดงว่าหลงนเห็นอะไรแล้วอยากได้ก็หลงนเห็นอะไรแล้วอยากไม่ได้ก็หลงนะถ้าต้องได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้มันต้องอย่างนั้นพอต้องโดนเขาด่าก็ไม่อยากไม่อยากให้เขาด่าเขาอยากจะด่า ถึงเวลาจะต้องให้เขาด่าก็ให้เขาด่าไปสิก็เห็นเป็นอะไรเลยด่าก็ด่าไปถึงเวลาต้องเสียก็เสียไปอเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องเสียกันหมดเดี๋ยวจะเจอไฟบังคับอ่ะไฟบังคับก็คือตายนะก็ตายนี่เสียหมดตอนนี้ให้มาเสียแบบสมัครใจไม่ยอมเสียกัน ให้ทําบุญกันเสียดายกันกันอาอุทิศบุญก็ยังเสียดายเงินขอทิศด้วยการนั่งสมาธิาอไม่ต้องเสียเงนินพอจะเสียเงินด้วยการแผ่เมตตาบุทิศส่วนบุญก็อเอานั่งสมาธิดีกว่านี่มีเท่านี้เนะี่ยถ้าใจเรายอมแล้วมันก็จะหยุด หยุดเป็นบ้าเขย่าเนะี่ยพอยอมแล้วมันก็หยุดเป็นบ้าหยุดอุ้นวายหยุดสันนะ่นเวลาอยากกินอะไรอยากดื่มอะไรอยากดูอะไรแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ดื่มนะใจมันสันนะ่นตัวยาเสพติดเนะี่ยใช่ไหะพอเสพแล้วมันติดพอเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพนะนี่ใจสั่นมือไม้สั่นเลยหมด เราต้องรักษาใจไม่ให้สั่นต้องรักษาใจให้ปกติปัญหาคือพวกเรามันถลํามามาติดอะไรเยอะแยะไปหมดพอเวลาไม่ได้สิ่งที่ติดก็มือไม้สั่นใจสั่นกันไปหมดไม่เป็นปกติไม่สงบเราถึงต้องแสดงว่าเรา ไม่มีความสามารถควบคุมใจของเราให้อยู่เป็นปกติได้ควบคุมไม่ให้ใจเราสั่นได้เราก็เลยต้องมาฝึกการภาวนาเนี่ยแหละเป็นการฝึกเป็นการสอนใจให้ไม่สั่นกับเหตุการณ์ต่างๆให้ใจนิ่งให้ใจเฉยให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น สักแต่ ว, ว่าได้ยินเห็นอะไรแล้วก็เห็นเฉยๆไม่ได้เห็นต้อเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความโกรธเกิดความกลัวขึ้นมาเห็นอะไรได้ยินอะไรให้สักแต่ ว, ว่าเห็นให้สักแต่ ว, ว่าได้ยินนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติให้สักแต่ ว, ว่าให้เฉยๆ ให้รู้เฉยเฉยไม่ให้รักให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงเนี่ยเราต้องหาจุดของใจนี้ให้เจอให้ได้มีอยู่ในใจเราเนี่ยจุดที่ใจเราจะนิ่งจะเฉยจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงและผู้ที่จะพาเราไปสู่จุดนี้คือสติและปัญญาสตินี้จะเป็นผู้ที่ นึงใจให้เราไปสู่จุดที่ใจจะเนิ่งเฉยจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วปัญญาจะเป็นผู้ที่จะรักษาไม่ให้ใจออกจากจุดนี้ไปตอนต้นต้องอาศัยสติเป็นผู้นึงใจให้ไปสู่จุดนี้ก่อนเพราะสตินี้มันง่ายกว่าปัญญาปัญญาก็สามารถนึงใจให้ไปสู่จุดนั้นได้ แต่ปัญญานี่เป็นของยาพอพูดตายรักถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่าไม่มีปัญญาพอพูดให้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี้ถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่าไม่มีปัญญาแต่คนที่มีปัญญานี่ใช้ปัญญาได้พระพุทธเจ้าสอนคนชายคนหนึ่งว่าเธอเห็นอะไรให้สักแต่ว่าเห็น ได้ยินอะไรให้สักแต่ว่าได้ยินเข า, าก็เข้าใจเขาก็เข้าใจเขามีปัญญาสามารถใช้ปัญญานี้ควบคุมใจให้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่รู้ได้ทันทีอถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้สติใช้ปัญญาได้เลย<ม>เห็น อ, อะไรก็อย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลง แสดงว่าเขาเขามีจุดนี้แล้วเขาถึงจุดนี้แล้วเขารู้แล้วพอพระพุทธเจ้าพูดเขาก็เข้าใจว่าให้อยู่ตรงจุดนั้นนะอย่าไปอยู่ตรงจุดไหนอย่าไปยืนตรงความอยากอย่าไปยืนตรงความโลภอย่าไปยืนตรงความโกรธอย่าไปยืนตรงความรักความชังความกลัวความหลง ถ้าไปยืนจุดอื่นนะั่งใจจะสั่นใจจะร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ว, ว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหง า, หหาพอไปยืนผิดจุดเข้าใจไหมแทนที่จะยืนตรงจุดที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงตรงจุดที่สักแต่ว่ารู้ไม่ไปยืนตรงจุดนั้นชอบไปยืนตรงจุดที่รักเห็นอะไรก็รักขึ้นมา เห็นอะไรก็ชอบขึ้นมาพอชอบแล้วมือไม้ก็สั่นเห็นกระเป๋าก็ชอบมือไม้ก็สันวิธีหายสันก็ต้องหยิบเงินออกมาไปจ่ายค่ากระเป๋าพอได้กระเป๋ามาปั๊บมือไม้ก็หายสันเดี๋ยวไปเจอกระเป๋าไบใหม่ก็สั่นขึ้นมาใหม่ บางคนมีกระ เ, เป๋าเป็นสิบเป็นสิบเป็นร้อยใบมีมหาเศรษฐีสวนออกกลางนี่ว่ามีรถเป็นร้อยคันรถราคาแพงๆนี่เป็นร้อยคันรถเบนซรถโลสลรอยรถลอมบบอเกนี่รถเฟอร์รารี่ต้องสร้างโกดังเก็บรถพอมันเห็นแล้วมือไม้มันสั่นมันมีงานแล้วมือไม้มันสั่น มันก็เลยต้องใช้เงินนี่แกม้มือไม้สั่งพอไปใช้มือแก้มันก็เลยต้องใช้เงินแก้มันก็เลยต้องใช้เงินแก่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเห็นรถคันใหม่ออกมาก็สั่นอีกละพอสั่นก็ต้องเอาเงินไปแก้ให้มันหายสั่นซื้อมาเรื่อยซื้อมาเรื่อยมันก็เลยเป็นโกดังไปเลยรนถะเป็นร้อยคันมาเซตีอินเดียคนหนึ่งนี่ก็ สันเพราะอยากจะซื้อตึกทำบ้านซื้อคอนโดสร้างคอนโดแล้วอยู่กันสองอยู่ครอบครัวเดียวนะมยีตั้งแปดชั้นสิบชั้นแต่ละชั้นก็มีแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่บันเทิงมีโรงหนังมีโรงอะไรโบลิง่งอะไรต่างๆ พอมันมีเงินแล้วมันเห็นอะไรมันรังมันชะขึ้นมาแล้วมันชอบขึ้นมาแล้วมันสัน่นวิธีจะแก้สั่นก็ต้องใช้เงินนี่ไปแก้นี่นี่คือเรื่องของใจที่ไม่รู้จักจุดยืนของตนเองหาจุดยืนของตนเองไม่เจอหาจุดยืนที่จะทำให้ตนเองสบายที่ใจที่มีความสุข ไม่รู้จุดนี้ต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเราา ต, ตอนนี้พวกเรากําลังยืนบนจุดที่ทําให้เราใจเราสั่นกันทําให้ใจเราวุ่นวายกันทําให้ใจเราไม่สบายกันเราชอบพอเกิดความรักขึ้นมา ใ, นใจไม่สบายเราเกิดความชังขึ้นมาใจไม่สบายเกิดความกลัวขึ้นมานี่ไม่สบายใจ กิดความหลงก็ไม่สบายใจความหลงก็เกิดความไม่รู้ความจริงพอใครเข้ามาพูดอะไรก็ตื่นเต้นตกใจเหมือนกระต่ายตื่นตัวพอบอกเดี๋ยวนะกรุงเทพน้ําจะท่วมนี่นก็ตื่นเต้นตกใจกันแล้กลัวละหลงมันละมาถามาพาร์วไปย้ายไปซื้อที่ทางเหนือดียหมวนมันจะตายที่ไหนมันก็ตายเช่นนั้นอะ ต่อยู่ตายด้วยน้าท่วมดว้ตายด้วยอย่างอื่นมันก็ตายเหมือนกันไม่ต้องไปหนีมันหรอกมันท่วมให้ให้ถึงมันท่วมก่อนแล้วค่อยว่ากันยังไม่ทันท่วมเลยเพียงแต่เขาว่ากันก็กลัวกันแนละ้ว <Yeah. S 1> เห็นหมัมชอบนี่คนมาหลอกเลยวันที่นั้นเท่านี้โลกจะถล่มโลกจะทลายให้คนที่หลงฟังแล้วก็ตกใจตื่นเต้นกุ๊ใจสันน่นไปหมด คนที่รู้เขาไม่เดือดร้อนะเขารู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้ามันจะตายมันก็มันก็ตายเหมือนกันอนะ่ะมันไม่ได้ตายด้วยเหตุนั้นมันก็ต้องตายด้วยเหตุนี้มันอยู่ที่ไหนมันก็ตายไม่ไกลัวมันทาไมเรื่องของความตายถ้าใจรู้จักจุดยืนแล้วจะไม่กลัวอะไรถ้าใจพบจุดยืนที่พระเจ้าสอนให้ ให้ยืนกันให้ยืนมองจุดที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมานี่จะไม่เดือดร้อนจะเฉยจะสบายจะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี่คือจุดยืนที่พวกเรามาหากันการปฏิบัตินี่มาหาจุดยืน ซึ่งเราก็าก็ยืนอยู่จุดนี้อยู่เรื่อยๆแต่แต่ไม่รู้จักรักษามันพอมีอะไรมากระทบหน่อยก็ออกจากจุดนี้เลยอย่างตอนนี้เราสักแต่ว่ารู้ได้สักแต่ว่าได้ยินได้สักแต่ว่าเห็นได้เห็นแล้วก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้ยินแล้วก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง แตพอไปเห็นอะไรที่เคยรักขึ้นมาเนี่ยมันมันเห็นเฉยเฉยไม่ไดเ้เห็นอะไรที่เคยชอบขึ้นมาเนี่ยพอเห็นแล้วมันก็มือไม้สั่นขึ้นมาแล้วหรือเห็นอะไรที่เคยกลัวนี่พอเจอกลัวขึ้นมาคนที่กลัวตุ๊กแก่เนี่ยพอตุ๊กแกขยับมาหน่อยนี่นะกลัวแล้วขยับหนนะีนี่เป็นเพราะว่า เรายังไม่มีกําลังที่จะรักษาใจของเราให้อยู่ในจุดนี้ได้ตลอดเวลาอยู่ได้เฉพาะเวลาที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรมากระทบไม่มีอะไรมาผลักให้เราออกจากจุดนี้ไปพอมีเหตุการณ์อะไรมากระทบปั๊บมันจะผลักให้เราออกจากจุดนี้ไปกําลังสบายใจอย่างนี้พอ ใครส่งข่าวมาบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นอะไรไปแล้วใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคาไกรโทรมาบอกตอนนี้บ้านกำลังไฟไหม้ยังจะนั่งเฉยๆอย่างนี้ได้ปะไ ป, ไปก็ไม้หมดแล้วไปไปทำไม ถึงเวลาค่อยไปก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปไม่ใช่เวลาไปไปทำไมไปก็ไปทำอะไรไม่ได้ไปมันก็ไม่หมดแล้วนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่พวกเราต้องมาปฏิบัติพุโทโธพุโทโธกันปฏิบัติสติกันก็เพื่อที่จะให้มีสิ่งที่จะคอยรักษาใจของเราให้อยู่ตรงจุดนี้ ให้อยู่ตรงจุดที่เรียกว่าอุเบกขาสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนี่แหละคืออุเบกขาเห็นแล้วก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้ยินแล้วก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้ารักษาได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้แค่นี้แหละคือพระอรหันต์กับปุตุชนต่างกันแค่ตรงนี้เอง อย่าไปดูที่หน้าตาอย่าไปดูที่คิ้วที่จมูกหรือที่มันเหมือนกันผ้าละหันกับคนธรรมดาก็มีคิ้วเหมือนกันมีจมูกเหมือนกันถ้าจะต่างกันก็ตรงที่กระดูกเวลาตายไปแล้วนั่นกระดูกของผ้าละหันนี่กลายเป็นาธาตุไปอต่คนธรรมดานี่กลายเป็นดินไป กะดูของคนธรรมดานี้ทิ้งไว้นานๆข้าวต่อไปมันก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปแต่ของพระอรหันต์นี่จะกลายเป็นาธาตุไปเป็นเหมือนก้อนหินน่าธาตุก็คือก้อนหินเนี่ยเพราะใจของท่านอยู่ที่ตรงจุดที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่ เวลาเราจเจริญสติพุทธโธพุทธโธนี่ใจเราก็เริ่มเข้าสู่จุดที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงฉะนั้นเวลาเราโกรดนี่พอเราพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปใจเราก็จะออกจากความโกรธได้ค่อยๆ อ, ออกพอโกรธครขึ้นมานี่รีพุทธโธเลยดึงใจออกจากจุดนั้นให้ได้ พุโทโธพุโทโธไปสักพักเดี๋ยวลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธความโกรธก็หายไปใจก็มาเยือนอยู่ตรงจุดที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงต่อไปได้สตินี่ะเป็นเครื่องมืออันวิเศษสตินี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีพุโทโธเป็นผู้สร้างขึ้นมาเวลาเราพุโทโธพุโทโธเวลาที่เราดูลมหายใจเข้าออก เวลาที่เราเดินจงกรมดูการย่างเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้เรียกว่ากําลังฝึกสติกําลังสร้างสติกันพอเราใจมีสติใจก็จะไม่ออกจากจุดที่เป็นกลางเป็นจุดที่ไม่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเหมนตอนนี้ ใจเราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกันเพราะเรามีสติหรือว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะมาดึงมาฉุดมาลากใจของเราให้ออกจากจุดนั้นใจของเราก็เลยเฉยได้เวลาปฏิบัติแล้วเราอยากจะทดสอบดูว่าใจของเรานี่ เฉยได้หรือเปล่าตอนนี้เฉยได้เพราะตอนนี้ไม่มีอะไรมากระทบใจก็ต้องทดลองดูว่าจะเฉยได้ไหมถ้าฟักเงินมาสักหมื่นหนึ่งแล้วก็เอาไปทำบุญหรือว่าฟักมาแล้วนี่สองจิตสองใจหนึ่งกันไปหนึ่งกันมาอยู่ <c oughs> อันนี้ก็แสดงว่าไม่เฉย น, นะตัวหวงมันยังอยู่ตัวรักยังมีอยู่ ถ้าไม่มีความรักเงินทองควักมาหมื่นหนึ่งก็ไปเลยควักมาแสนหนึ่งก็ไปเลยไม่มีอยากจะทดสอบดู ว, ว่าใจเราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้ได้ปะก็ลองเสียอะไรเสียของที่เรารักไปดูถ้าถ้ารักก็แสดงว่าเสียไม่ได้ละเวลาเราเสียนี่เรามักจะเสียของที่เราไม่รักนะเรายินดีเสียได้ เอาของอะไรที่เรารักนี่จะเสียนี่ต้องใช้กำลังมากหน่อยถึงจะเสียได้แต่ถ้าของที่เราไม่รักนี่ง่ายของเก่าๆนี่ขยะนี่เสียง่ายใคอยากจะได้เอาไปเลยของเก่าของอะไรต่างๆที่เป็นของเก่าของที่ไม่มีประโยชน์กับเราแล้วของเสียของใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ เสียได้ง่ายแต่เสียของที่ยังมีประโยชน์เนี่ยเสียยากเพราะเรายังรักมันอยู่ให้เราต้องทดสอบใจเราถ้าอยากจะรู้ว่ายังมีความรักความชางอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปหาอะไรหาข้อสอบมาทำํำถ้าคิดว่าไม่มีความรักอะไรแนละ้วก็ลองเอาเลยมีอะไรก็ บริจาคไปเลยอะไรที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ใช้ก็เอาไปบริจาคเลย <c oughs> นี่คือเรื่องของใจเรื่องของการหาจุดยืนที่ถูกต้องจุดยืนที่จะทำให้ใจเราไม่วุ่นวาย <c oughs> ไม่เดือดร้อน <c oughs> ไม่ทุกข์ ไม่ไปเกิดใหม่ต้องยืนอยู่ตรงจุดนั้นจุดที่เรียกว่าอุเบกขาสักแต่ว่ารู้สติก็เป็นตัวหนึ่งที่จะดึงใจให้อยู่ในจุดนั้นได้แต่ถ้าเผลอสติเมื่อไหร่หรือสติก็เป็นเหมือนเชือกถ้าเผลอสติก็เหมือนเชือกขาดพอเชือกขา ด, ขาดใจมันก็จะไม่อยู่ตรงจุดนั้น มันก็จะถูกเหตุการณ์ดูดไปเหตุการณ์ที่มากระทบดูดไปดูดให้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงแต่ถ้ามีสติเชือกไม่ขาดใจก็ยังตั้งอยู่ในจุดนั้นได้อยู่เชนเราไปอยู่ที่ป่าชา้าไปอยู่ที่มันน่ากลัวแล้วพอใจเกิดความกลัวขึ้นมา เราก็ใช้สติเดินกลับเข้ามาให้กลับมายืนตรงจุดที่ไม่กลัวพุโทโธพุโทโธไปแต่ถ้าเผลอสติขาดพุดโทโธไปไม่ไหลใจก็จะกลับมากลัวทันทีถ้ากลัวมากๆก็โกยเลยอยู่ไม่ได้กลับบ้านดีกว่ามีคนบางคนมาขอลองนั่งสมาธิตอนคืนบนเขานี่ นั่งได้สองทุ่มก็โทรศัพท์บอกขอกลับบ้านนะโกยนะสติขาดนะ้วไม่มีสติพอที่จะรักษาใจให้สักต่ว่ารู้ได้สักต่ว่าเห็นได้เห็นอะไรแล้วไปปรุงแต่งเป็นผีเป็นะายเป็นหมดเลยกวาจริงบางทีเป็นใบไม้มันต้นไม้นมพัดมันก็มันก็ไหวเอ็นไปเอ็นมาก็คิดว่าผีมาแล้ว ในบางทีเสียงเสียงเสียงสัตว์ด้วยขานบนเพดานบนฝ้าก็คิดว่าผีมาแล้วพอคิดแล้วทีมันก็เกิดความกลัวเกิดความหลงขึ้นมาหลงมากมากกลัวมากๆเดี๋ยวก็ทนอยู่เวลาเพราะมือใจมันสั่นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดก็ต้องขอกลับบ้าน แสดงว่าสติขาดสติไม่มีกำลังพอที่จะเนียวที่จะดึงใจให้อยู่ตรงจุดที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องไปทดสอบสติปัญญาของตนที่เ็าว่าสอบอารมณ์นี่ต้องสอบแบบที่ไม่ใช่มานั่งถามกันนั่งถามกันเหมือนกันะนนี่ถามใจเลยไงสบาย ไม่รักแม่ชังไม่กลัวไม่หลงเวลทดสอบครูบาอาจารย์ทดสอบกับลุกสิษย์ยังไงวะด่าซึ่งซึ่งหน้าเลยด่าต่อหน้าเลยโง่ชิบหายพระองค์นี้ไม่ได้เรื่องเลยอยู่กับหลวงตาบางทีท่านด่าพระนี่ทดสอบอารมณ์ <c oughs> <ng> ให้ดา่าท่านทดสอบอารมณ์ ng. แล้วก็เชิดไก่ให้ลิงดูด้วย <c oughs> มันไม่เข้าใจคิดว่าโอ้ยหนวงตานี่กิเลสเต็มหัวใจโกรธหนวงตาโกรธอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าทดสอบอารมณ์วิธีทดสอบอารมณ์ก็ไม่มาบอกเราว่าท่านจะต่อไปนี้จะทดสอบอารมณ์กับเธอเนะี่ยถ้าบอกมันก็เตรียมตัวตั้งรับเออมันต้องสอบแบบไม่ต้องบอกกันความตายเวลามันจะมามันบอกเราล่วงหน้าเปล่ากูจะมา เวลานี้ผีเวลามันจะมามันจะบอกหรือเปล่าจะมาเวลานี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันบอกหรือเปล่าว่าจะมาเวลานั้นเวลานี้ังนั้นก่อนที่จะทำข้อสอบพร้อมที่จะทำข้อสอบนี้ต้องพร้อมตลอดเวลามาเวลาไหนก็ทำข้อสอบได้เฉยได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง เหมือนที่มีนิทานเนี่ยมีพวกคุณหญิงคุณนายเคยฟังเทศหลวงปู่หลวงตารูปหนึ่งฟังแล้วก็บอกว่าโหตั้งแต่ฟังเทศหลวงปู่หลวงตาร์กิเลสไม่รู้มันหายไปไหนหมดเลยหลวงปู่หลวงตามอกอีโต้แหละ <laughs> <laughs> บอกอีโต้แหละนะัลับมาหมดเลย ย, ยังตอนนี้พวกเราโลกกดหลงหายไปหมดเย่ย แล้วเกิดเราด่าขึ้นมาทีเนี้ใครดูกลับมาเลยเนี่ยถ้าเราดา่าอารวาสขึ้นมานี่ใช่ไม้มไม่นั่งอยู่ตรงนี้ละกลับบ้านหมดเลยไม่รู้ว่ากำลังทดสอบอางมณ์อยู่คิดว่าเป็นถ้าถ้ า, ถ, าถ้ารู้ทันมีปัญญาหรือว่ามีสติหรือว่าใจไม่สนใจใครจะอรารวาสใครจะดา่าใครจะพูดอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราสัตว์แต่ว่ารู้ไป เราก็นั่งฟังพองเราต่อไปแต่ถ้าสมมติอาจารย์แกล้งด่าขึ้นมาแกล้งไล่ขึ้นมาเงี้ยดูซิจะทำยังไงก็นั่งๆั่งคิดหนังให้สอบสอจริงหรือไม่จริงถ้าท่านอยากแยกเราไปจริงๆเดี๋ยวท่านก็ต้องมาแบกเราไปไล่เราไปนะถ้าพูดเฉยๆแสดงว่ายังไม่อยากให้ไปรู้เปล่า ถ้าอยากจะไปจริงๆเดี๋ยวเรียกตำรวจมาลากไปเองอะถ้าไม่ไปออต้องให้มันรู้กันถึงจุดนั้นเลยเวลาไปอยู่กับคบาอาจารย์ท่านจะด่าท่านจะไล่อย่างไงก็เฉยลูกเดียวไห้ท่านด่าท่านไล่ไปแสดงว่าท่านยังทดสอบอารมณ์เราอยู่ถ้าท่านต้องให้เราไปจริงๆเดี๋ยวท่านเรียกตำรวจเรื่องเรียกชาวบ้านมาช่วยขนของข้าวของเราขึ้นรถไปเนี่ยอานนั้นแหะท่านให้เราไปจริงๆอะถึงใ่อยไป ถ้าท่านเพียงแต่พูดเฉยๆก็เราก็เพียงแต่ฟังเฉยๆก็พออาจารย์มาให้สักแต่ว่าได้ยินก็สักแต่ว่าฟังไปท่านบอกไปไปเจอหน้าทีไรออกไปอยู่ทำไมเกะกะลกวัดก็ฟังไปท่านพูดก็อยู่ของท่านไปเราก็ฟังของเราไปท่านกำลังทดสอบอารมณ์เราอยู่แต่เราไม่รู้กันเราคิดว่าท่าน โ, โกรธเราเกลียดเรา ขับไล่สายส่งเรา <c oughs> ในพระไตยบิดกท่านก็มีสแสดงไว้ว่าถ้าได้พบครูบาอาจารย์ที่เราละ <c oughs> ขาล้มนับถือได้รับประโยชน์จากการสั่งสอนท่านจะไล่เราด่าเราก็ให้เฉยๆไป ให้ฟังไปเฉยๆไปไม่ต้องไปทําอะไรถ้าท่านต้องการจะขับล่เราจริงๆเดี๋ยวท่านหาวิธีขับเราไปได้มาลากมาใช้พระใช้เนนใช้อะไรช่วยกันลากเราออกจากวัดไปกนะ็ถึงตอนนั้น่ะถึงจะรู้ว่าท่านต้องการให้ไปจริงๆเพียง <c oughs> แต่พูดเฉยๆนี่ยังยังไม่ยังไม่ได้มีความหมายอย่างนั้น เวลาพูดเนี่ยเป็นการทดสอบจิตใจเราสอบอารมณ์เราว่าอยากจะอยู่จริงหรือเปล่ารักกันจริงหรือเปล่าถ้ารักกันจริงก็ต้องทนกันได้เนี่ยสามีภรรยาถ้าอยากจะทดสอบอารมณ์ด้วยกันก็ต้องแบบนี้ถ้าด่าแล้วไล่แล้วยังอยู่ต่อไปได้นี่ก็แสดงว่ารักกันจริงนะไม่ทอดทิ้งกันแน่นอน ถ้าด่าหน่อยว่าหน่อยก็้ไปเลยน้อยอกน้อยใจอย่างนี้ก็แสดงว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปอย่างนี้ก็ไปไปก็ไปยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดสักแต่ว่าได้ยินคนที่ถึงจุดนั้นแล้วจะเฉยจะอยู่จะไปก็ไม่ได้อยู่ได้เหตุ ที่เขาไล่ยอยู่ด้วยเหตุอย่างอื่นเช่นมีความจำเป็นมีอะไรเหตุการณ์บังคับที่ควจะไปอันนี้ก็ไปตามเหตุผลเช่นไม่สบายต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลไปรักษาตัวนี่ก็ต้องไปไปด้วยเหตุด้วยผลแต่ไม่ได้ไปเพราะความน้อยเนื้อต่งใจเพราะตามไปเพราะคิดว่าเขาไม่ชอบเราเขาไม่รักเราแล้วเขาไม่อยากให้เราอยู่กับเขาแล้ว อันนี้เราปรุงแต่งไปเองเราไม่สักแต่ว่าได้ยินไม่สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้ยินปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วจบไปแล้วเขาด่ายังไงเขาว่าไงพูดปั๊บก็จบไปแล้วถ้าศักแต่ว่ารู้มันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนะมันมีแต่ปัจจุบันพอได้ยินปับ๊บมันก็หมดดับไปละพอเราพูดปับ๊บเสียงนี้ก็หายไปละ แต่ถ้ามีรักมีชังอยู่ในใจมันดึงกลับมากลับมาพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกเขาด่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้บ่ายนี้ยังได้ยินเสียงด่าก็อยู่นะใจเราเอามาเหมือนที่อัดเทปไว้แล้วก็มาเปิดดูย้อนหลังเขาด่าเราเขาด่าเราเขาด่าเรา ท, ทั้งที่เขาด่าเราเพียงคนเดียวแต่เรามาเปิดย้อนหลังฟังนี่เป็นสิบเป็นร้อยครั้ง เพราะใจเราไม่ยืนอยู่ตรงจุดศักด์แต่ว่ารู้ใจเราไปยืนอยู่ตรงจุดที่ปรุงแต่งปรุงมันทั้งวันทั้งคืนปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ปรุงเรื่องรักปรุงเรื่องชังเรื่องไหนที่ชังก็ปรุงอยู่นั่นเรื่องไหนที่รักก็ปรุงมันอยู่นั่นถ้ารักกระเป๋านี่ก็ปรุงแต่เรื่องกระเป๋ามันจะหยุดปรุงเมื่อได้กระเป๋าไว้นั่นมามันจะหยุดปรุง เรื่องถ้าเรื่องช่างเขาด่าก็ก็ก็ปรุงแต่งเรื่องเขาด่าจนกว่าช่าเขาเขากลับมารักเราเขากลับมาชมเราถึงจะหายพอเขากลับมาชมละหายล้วทีนี้เนี่ยคือใจไม่ได้อยู่ตรงจุดที่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้นี่ไม่ปรุงแต่งอะไรนะรู้เฉยๆแต่พวเรามันชอบยืนตรงจุดที่ชอบปรุงแต่งกัน พอใครเขาพูดอะไรเขาทําอะไรนี่เอามาปรุงามาแต่งเขาทําไมถึงทําอย่างงั้นทำไมถึงทําอย่าง น, น, งางนี้เขามีความหมายว่าอย่างไรเขาอะไรเขาไม่ชอบเราหรือเขาเกลียดเราหรืออะไรคิดไปจนกระทั่งร้องห่มร้องไห้น้ําตาหลงน้ําตาไหลาขึ้นมานี่ไม่ใช่วิธีของนักปฏิบัตินักปฏิบัติเนี่ยต้องอย่างเงี้ยต้องเฉยๆอย่างเงี้ยฟังแล้วก็เฉย เราเฉยได้สบายไหมเวลาเฉ ย, ยนี่สบายไหมเวลาเศร้าสศกเสียใจนี่สบายป่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนเพราะความคิดปรุงแต่งของเราเนะี่ยคิดปรุงแต่งไปกับเรื่องที่เราได้ยินเรื่องที่เราเห็นนี่เองไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ถ้าเรามาฝึกจิตให้เราอยู่ตรงจุดที่สักแต่ว่าเห็นได้สักแต่ว่ารู้ได้เราจะไม่ปรุงแต่งกับเรื่องราวต่าง พอพูดปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วดึงไปแล้วขเขาพูด อ, อะไรมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้วถ้าใจอยู่ปัจจุบันคำด่านั้นมันกลายเป็นอดีตไปแล้วคำชมก็กลายเป็นอดีตไปแล้วอะไรมันมาปุ๊บมันก็ผ่านไปปั๊บนะเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดปั๊บมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วคำพูดก่อนหน้าเนี่ยพูดปั๊บมันก็จบไปแล้ว <m> แล้วก็มีคำพูดใหม่โผล่ขึ้นมาใหม่มันก็ผ่านไปผ่านไปอยู่เรื่อย ฟังแล้วก็จบฟังก็เพื่อเอาเอาประโยชน์เอามาฟังสิ่งที่เราฟังแล้วเอามาทำประโยชน์ให้กับใจวันนี้ที่พูดนี้ก็เพื่อที่จะให้เราได้รับประโยชน์ประโยชน์ที่เราต้องควรจะได้รับก็คือจุดยืนของเราว่าอยู่ตรงไหนหาจุดยืนของเราให้เจอจุดยืนของเราก็คือให้ใจเราสับแต่ว่ารู้ เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเท่านั้นเองไม่ไ ม, ไม่ไม่ลึกลับซับซ้อนธรรมะของพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาแต่ชีวิตของพวกเรานี่มันมันลึกทับซับซ้อนกับเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งเห็นเรื่องตรงไปตรงมากลายเป็นเรื่องลึกลึกลับซับซ้อนไปต้องคิดว่าต้องมีความหมายซ่อนเล่นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ ไม่มีตรงไปตรงมาให้สักแต่ว่ารู้ก็ให้สักตแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปรักไปชังไปกลัวไปหลงไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไม่ต้องไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับอะไรมันเกิดปั๊บมันดับละเสียงมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไปผ่านไปแล้วลมพัด<ม>เดี๋ยวลมมันก็หยุดแล้ว ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะปล่อยมันพัดไปล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายใจเราจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆใครจะเป็นใครตายมันก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าห้ามแม่เขาตายสั่งให้สั่งให้เขาตายก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้สั่งให้เขาอยู่ก็ไม่ได้ เขาจะไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่เขาจะไปเอาก็ไปเพรใจแล้วไม่ได้ยืนอยู่ตรงจุดให้สักแต่ว่ารู้อยู่ตรงจุดที่รักพอของที่รักไปก็อยากจะให้กลับมาพอของที่ชังมาก็อยากจะให้หายไปมันก็ไม่หายก็ปล่อยมันไปสิมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะไปก็ปล่อยมันไป ถ้าเราอยู่ตรงจุดที่สักแต่ว่ารู้มันก็ไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นอะไรที่จะมาก็มาไปอะไรที่จะไปก็ไปแต่ใจเราจะไม่เดือดร้อนกับการมาการไปการเกิดการดับของสิ่งต่างๆถ้าเรารู้จักรักษาใจของเราให้ยืนอยู่ตรงจุดที่สักแต่ว่ารู้ถ้าตอนนี้ไม่อยู่ที่ตรงจุดที่สักแต่ว่ารู้ก็ดึงมันเข้าไปสิ ใช้สติหนึ่งเข้าไปใช้พุโทโธพุธโทโธหึงเข้าไปหรือถ้าใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ปัญญาก็ได้ปัญญาก็คือก็เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นตายรักนะถ้าเห็นว่ามันเป็นตายรักมันก็สักแต่ว่ารู้ได้รู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่ว่าของที่เรารักหรือเราชังมันเกิดแล้วก็ดับไปทำอะไรไม่ได้ไปห้าไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ก็ไปรักไปชังมันทาไม ก็ปล่อยมันเกิดมันดับไปปล่อยมันมาปล่อยมันไปพอยืนอยู่ตรงจุดที่ปล่อยมัน ก, ก็สักแต่ว่าลูไปถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไว้ก่อนสตินี่ง่ายพุโทโธพุทโธไปก่อนถ้ามือไม้สัน่นใจสัน่นก็พุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หายสัน่นอย่าขี้เกียจแต่ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงที่ขี้เกียจ ไม่ยอมพุทธโธกันในวันนี้พุทธโทรได้อย่างเนี่ยมาฟังเทศตั้งแต่กี่กี่เดือนแล้วเนี่ยเคยพุทธโทรกันไหมเคยเออกไปพุทธโธรกันไหมถ้เาเวลาไม่สบายใจก็รีบพุทโทเลยเหมือนกินยาแก้ปวดหัวเวลาปวดหัวก็เอายาแก้ปวดหัวมากินสองเม็ดเดี๋ยวอาการปวดหัวก็ทุเลาเวลาไม่สบายใจก็เอาพุทธโธไปสักสอง สักสองนาทีสามนาทีดูพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวสองสามนาทีนี้จะรู้สึกเบาขึ้นมาเลยอาการไม่สบายใจนี้จะทุเลาเลยขอให้ลองใช้จริงๆเแต่เป็นเหมือนยาแก้ปวดดีๆนี่พุทโธเนี่ยเวลาใจไม่สบายนี่พุทโธเลยวิยาทำใจยาทําใจพุทโธก็คือการทําใจน ทำใจให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปรักไปชังอย่าไปกลัวไปหลงแล้วใจจะไม่ใจจะไม่สัน่นใจจะเป็นปกติใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะมีความสุขเรามีเครื่องมือดีนะมียาวิเศษธรรมโอสถคือสติสตินี้ก็มีหลากหลายวิธีมีสี่สิบวิธี ที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบนี่เป็นวิธีสร้างสติกับวิธีสร้างปัญญากรรมฐานบางอย่างก็เป็นปัญญา<ม>เช่นมรณานุสสตินี่ก็เป็นปัญญา<ม>หรืออาการสามสิบสองหรือซากศพสิบชนิด<ม>นี่เรียกว่าเป็นปัญญา<ม>ถ้าเห็นว่าร่างกายของเรานี้ต้องกลายเป็นซากศพไปนี่เราจะไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงกับอะไร เดี๋ยวก็ตายแล้วรักนระักก็ไม่ได้ตายก็กลัวก็ชังก็ไม่ไม่ได้อะไรตายไปก็หมดไปทุกอย่างอันนี้เป็นปัญญาเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงชั่วคราวเราก็จะไม่รักไม่ชังอะไรไม่กลัวไม่หลงกรรมฐานสี่สิบเนี่ยเป็น การเครื่องมือสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะดึงใจให้เราอยู่ตรงจุดที่สักแต่ว่ารู้อยู่ตรงที่จุดที่ไม่นักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงงั้นเรามาสร้างสติสร้างปัญญาด้วยกรรมฐานสี่สิบนี้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโทอธอาทิติสอนพุทโธก็ลองไปใช้ดู ถ้านั่งเฉยๆนั่งดูดูลมหายใจก็ได้เรียกว่าอานาปนาสติพุทโทธก็เรียกว่าพุทธานุสติสวดมนต์ก็เรียกว่าธรรมานุสติสวดคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติขอให้เราฝึกสร้างสติกันขึ้นมาแล้วเราจะดึงใจให้อยู่อยู่ตรงจุดที่ศักแต่ว่ารู้ได้ จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจจะสบายตลอดเวลาเหมือนที่ใจของเรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้ใจเราจะสบายอย่างนี้ไปตลอดเวลาตอนนี้พวกเราเป็นผ้าอาหารหันชั่วขราวกันพยายามรักษาผ้ า, าหลานของเราให้ยาวขึ้นออกไปให้นิ่งให้เฉยให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆพอมันจะ พอผ้าหลานจะหนีก็รีบดึงผ้าหลานกลับมาดึงด้วยสติดึงด้วยปัญญาพอจะไปรักไปชังนี่แสดงว่าผ้าหลานเริ่มหนีแล้วก็ดึงกลับมาดึงกลับมาอยู่ตรงจุดที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใช้สติดึงกลับมาก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา มันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะไปก็ต้องปล่อยมันไปสร้างมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลาความเจ็บมาจะไล่มันไปก็ไปไม่ได้มันก็ไม่ไปมันไม่ไปก็ให้มันอยู่ไปอยู่กับมันไปเวลาของที่เราชอบจะจากเราไปก็ห้ามมันไม่ได้มันจะไปก็ให้มันไปขอให้ใจเราสักแต่ว่ารู้แล้วใจเราจะไม่วุ่นวาย กับการมากับการไปของสิ่งต่างๆการไปของสิ่งที่เราลักเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายเสียใจการมาของสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่เดือดร้อนมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะปวดท้องปวดหัวปวดแขนปวดขาก็ปล่อยมันปวดไปรักษาได้ก็รักษามันไปแต่ใจเราจะเฉยๆไปกับมันปล่อยให้มันอยู่ไป อันนี้คือจุดยืนที่พวกเราต้องการไปกันตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดยืนแล้วรักษามันไว้ตอนนี้ไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนะรักษามันไว้เดี๋ยวใครโยน ง, งูลงมาสักตัวหนึ่งก็รักษามันไว้หลักแต่ว่ารู้ไปอย่า ก, กระโดดกันนะแต่ว่าดัางงูอะไรบงที่จริ้งโตก็ลงมาตัวนิดเดียวก็กระจอนกันลนะ พระอรหันหายวับเลยพอเจอจิ้งจกตัวเดียวหายวักเลยพอไครพอไกรตำหนิหน่อยท่านหายเลยพระอรหันกลายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นมาทันทีนะเราต้องใช้สติใช้ปัญญารักษาใจของเราให้เป็นพระอรหันไปตลอดอันนี้เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราว ตอนไหนที่เราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงตอนนั้นเราเป็นพระอรหันต์ชั่วคราวกันดังน้นก็ขอให้พวกเราฝึกเป็นพระอรหันต์กันไปเรื่อยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไปเรื่อยๆไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากกับอะไรต่างๆแล้วต่อไปเราก็จะเป็นพระอรหันต์อย่างถาวรได้อยู่ที่การฝึกขัดเนี่ยเหมือนกับขัดพิมพ์ดีเนี้ถ้าเราไม่เคยพิมพ์ใหม่ๆก็พิมพ์ไม่ได้ฮะ เราก็หัดจิ้มไปเรื่อยๆจิ้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พิมพ์ดีดได้หหัดขับรถก็ไม่ไม่ขับรถไม่เป็นขับได้ั้ยขับไม่ได้ก็ต้องหัดขับไปเรื่อยหัดขับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เป็นนิสัยขับได้อย่างง่ายได้ตอนนี้เราก็มาหัดเป็นผ้าอรหันกันหัดไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกันหัดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกันหัดไม่อยากได้อะไรกัน แล้วต่อไปเราก็จะเป็นผ้าอาหารอย่างถาวรต อ, อ, อนนี้เราก็เป็นอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกันขอให้เป็นอย่างนี้ไปนานๆอย่าไปคิดถึงกาแฟคิดถึงกาแฟปั๊บมันจะหายไปเลนผ้าอาหาร <c oughs> ความรักกาแฟจะโผล่ขึ้นมาทันที <c oughs> ความอยากกาแฟก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุรเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปกักปติอิจิตังปฏจจิตังปุง่มหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเเพปุเรนตุสังกปาจังโทปนาระโสยะถามณิโชติ ภะราโสยาธาสพีติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภะอภิวาทานศีลิสักนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏานเตอายุวันุสุขัง อลเป็นไงคุณสมชายมีอะไรไหมเมื่อกี้คุณมาหิวกาแฟกับพอดีเลยอาจารย์ก็ยังไม่เป็นนารานเลยยอมเล่ากันฮะยอมเล่ากาแฟกับป้านารานเลยอันไหนมีค่ากว่กันเป็นป้านารหรือกับกาแฟต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างไม่ได้ แต่ถ้าเป็นต่าอาหารแล้วจะดื่มกาแฟาที่หนังก็ดื่มได้แต่ตอนนี้ต้องเลือกก่อนเลือกให้ได้ก่อนแลพอเป็นอาหารแล้วถ้ามีใครเอากาแฟามาถวายก็ดื่มได้แต่จะไม่ไปหามันให้มันมาหาเราเองท่าอาหารนี่ไม่ไปหาอะไรให้มันมาเองถ้ามันไม่มาก็ไม่มาเลือกเดียวๆพอเป็นผ่าอาหารแล้วเดี๋ยวมันก็มาเอง ขอแก้พูดหน่อยเดี๋ยวคนนู้นคนนี้ก็มาให้นะฮ่าฮ่าฮ่ปฏิบัติบ่อยไหมปีนี้ปีนี้ไป3ครั้ง3ครั้งเลยก็มีข้อบังคับห้ามไม่ปได้ว่าจะไปบ่อยไม่บ่อยหรือไปได้เรื่อยๆถ้ามีที่ก็้งจ้าองหน้า แต่เมื่อเราไปอาทิตย์นี้เราจองต่ออาทิตย์หน้านี้ได้ปะอ๋อต้องจองข้ามเป็นเดือนเลยจังเลยจึงอ๋อมันที่มันเยอะมันคนจองเยอะเลยเยนี้ก็มีกี่สาขาล่้าเก้าในประเทศไทยนี่เลยอืมเก็นฝรังมาจากไอริชคนเนียมาจับบางทีก็มาจากอิกันีาซีอะไรอยใช่เมืองไทยนี่เป็นแหล่งของการปฏิบัติธรรม เนี้ชาวต่างชาติมากันเยอะอก็ดีเราก็ตามตามแนวปฏิบัติฐานสิครับอ แ, แต่วา่าเขาจะมีตารางเวลาแน่นอนอืมคือเป็นคนขี้เกียจนะอาจารย์ถ้อยู่วัดเนี้ยก็จะหมดแต่นองได้บังคับตัวเองไม่ได้ <c oughs> ต้องให้ก็บังคับเพราะเราชอบเป็นนักโทษ <c oughs> ให้อยู่อิสระเจรีญแล้วชอบเจริญชอบทะเลทล <c oughs> ายเลยต้องจับไปเป็นนักโทษนะ มีตารางตื่นเวลานี้กินเวลานี้นั่งเวลานี้เดินเวลานี้มันนี้ก็เลยแสดงว่าเรายังสติเรายังมีกําลังไม่พอสู้กิเลสไม่ได้สู้ความลักความชังไม่ได้ยังรักที่จะทํานูน่นทํานี่อยู่การที่จะปฏิบัติก็ไปดูทีวีกันไปดื่มกาแฟกันกินขนมกัน เดี๋ยวก็นอนกันกินเสร็จสบายก็นอนพักก็เดินก็นมาก็หิวอกครับกีด็กครับมันก็อยู่กับกินกับนอนนี่แหละกลายเป็นหมูไปเลยมันรู้สึกตัวนะเหมือนไก่ซีพีไหมเขาให้ให้กินกับ น, นอนอย่างเดียวไม่ให้นอนด้วยทำแไปโรงเลี้ยงไก่เขาเนี่ยเปิดไป24ชั่วโมงให้กินอย่างเดียวปัญหายอย่างนี้ ไา่มันถึงอ้วนไงโตเร็วอ้วนเขาจะได้ไปขายได้เร็วขึ้นอ่มีหนังสือซีดีนะยังหยิบอ่ะที่ต้องคอยปิดวาจาด้วยนะอาจารย์อห้ามพูดตลอดสิบวันพูดดีใา้จันพูดมันคิดมากไงเวลาพูดมันต้องใช้ความคิด ไ, ไม่ให้พูดกัน ก็เลยได้ถือศีลบริสุทธิ์ด้วยถ้าไม่ได้พูดอโอกาสที่จะติดสิ่งใช่พูดคําหยาพูดเพ้อเจอพูดกลุ้มเสวะพูดปดแต่อย่าไปเขียนตังสือส่งข้อความให้กันเนหะมือนกั็เหมือนกันแนหะ <c oughs> ไม่พูดทางปากก็พูดทางมือแทน <c oughs> แเขาเยึดมือถือตั้งแต่วันแรกเมื่อก่อนมีพระอยูอ่รูปหนึ่ท่านถือไม่พูด <c oughs> แต่ท่านจะ เ, Members, เขียนเขียนข้อความบอกว่าก็บ้างไม่พูดต่างปากอมาพูดทางมือเขียนปรุแต่งเหมือนเดิมพูดทางมือที่เขไม่ให้พูดเพื่อจะเน้นดความคิดปรุงแต่งให้น้อยลงให้พุทโธพุทโธได้คิดแค่คิดแต่พุทโธพุทโธถ้าคุยกันมันกับคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ปลายาวเลย คิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงกาแฟาเดี๋ยวก็ชวนเงินไปดื่มกาแฟาคิดถึงอะไรเดี๋ยวก็ชวนเงน ไ, ไปทำสิ่งนั้นก็เลยต้องควบคุมความคิดความคิดการต้องมีทางออกก็คือทางปากทางปากประทางกายทางกายก็บังคับให้อยู่ในสถานที่ปฏิบัติไม่ให้ออกไปนอกเขตเนี่ยความคิดมันจะออกมาทางกายทางวาจา ถ้าไม่มีอะไรคอยควบคุมทางกายทางวาจาเดี๋ยวมันก็พาเราไปนูน่นรอบโลกเลย mm hmm. ความคิดมันจะพาเราไปรอบโลกเลย mm hmm. คิดถึงอเมริกาคิดถึงยุโรปเดี๋ยวก็จองตั๋วไปแนะ้วยังถ้าเรายัางควบคุมความคิดไม่ได้ต้องควบคุมทางร่างกายก่อนร่างกายก็บังคับให้มันอยู่ที่เขตปฏิบัติธรรมนี้ mm hmm. วาจาก็ห้ามไม่ให้พูด แต่ก็ยังคิดอยู่ต้องเข้าไปติดตัวนี้เวาหมายหลักไม่ใช่ตัววาจาไม่ใช่ตัวการกระทําทางร่างกายตัวต้นเหตุคือกลัวตัวความคิดนี่ต้องใช้สติหยุดมันต้องมีสติอยู่กับอะไรอย่างหนึ่งที่นั่นเขาให้อยู่กับอะไรอยู่กับเวทนาอยู่กับร่างกายก็เขาให้อยู่กับอนัอปนสติสามวันแรกแลวอหกวันก็เป็นอยู่กับ อนามบานสันิตตั้งในทุกเอเรียบทเลยนะ ว, ว่าก็ให้นั่งเวลาที่ไม่นั่งแล้อยู่ที่ไหนหก็ต้องอยู่ทีในใน่ลมหายใจเหมือนกันเวลานั่งนอนยืนเดินนั่งนอนก็อยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ยืนที่ยืนเดินนั่งนอน <S <S ออยืนอยู่ได้นะลมมันจะดูไ ด, ด้หลดบ้าน <S <S หลดก่อนีแตใ่ในสติปัฏฐานก็บอกให้อยู่ในเอเรียบทสี่ก็มี ใช่อนาปนาสติท่านสอนให้อยู่ตอนที่นั่งผัดสมานิหลับตานบในสติปัฏฐานสูตรไม่อ่านดูเลย อ, อนาปนาสตินี่ให้นั่งหลับตาอยู่นั่งโคนต้นไม้นั่งหลับตาถึงใช้อนาปนาสติเวลาออกจากสมาธิมาให้อยู่ที่อริยาบทส<ม>อยู่ที่การยืนการเดินการนั่งการนอนนะให้เฝ้าอยู่เฝ้าดูร่างกายทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหว ของการกระทำทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทํานั้นอันนี้เรียกว่าควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่อันนี้จะหยุดความคิดเป้าหไว้ก็คือไม่ให้ไปคิดอะไรให้ดูลมให้ดูร่างกายว่าร่างกายกําลังเคลื่อนไหวยอยู่กําลังทําอะไรถ้าร่างกายไม่เคลื่อนไหวนั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจอันนี้ขั้นของสตินะ การของปัญญาพอมีสมาธิแล้วมีสติทําใจให้สงบอยู่ตรงจุดที่สั์แต่ว่ารู้ได้แล้วทีนี้ก็ดึงมาสอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องร่างกายว่าร่างกายนี้เที่ยงไม่เที่ยงร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือเปล่าถ้ามันเที่ยงมันต้องเกิดแล้วมันก็ต้องอยู่มันไม่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเลยออกมาจากท้องแม่อย่างไรก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปถึงเรียกว่าเที่ยงใช่ไห แต่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในชะออกมาปั๊บก็เริ่มเจริญเติบโตนี่ก็ไม่เที่ยงละแต่ไม่เที่ยงแบบนี้ชอบกันเวาเจริญเติบโตชอบกันเวลาแก่เจ็บตายไม่ชอบกัน mm. เวลาเที่ยงแบบเวลาไม่เที่ยงแบบที่เราชอบไม่เป็นไร mm. ตามเป็นเด็กนี่โอยอยากใช้มันเติบโตเร็วๆยิ่งเติบโตเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจยิ่งมีความสุข พอถึงกลางวัยเริ่มแก่อยากจะให้มันหยุดแล้วสิไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายมันก็เลยทุกทุกเพราะความไม่อยากนี่แหละทุกทุกเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เองแต่เราห้ามมันไม่ได้ร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปห้ามทำดินฟ้าอากาศไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ ร่างกายเราก็ไปห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงของมันมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายอมรับได้เราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์ไม่ใช่เพราะว่ามันแก่มันเจ็บมันตายที่มันไม่เที่ยงที่ทุกข์เพราะไม่อยากให้มันไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงที่ไม่อยากให้มัน ของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงได้อย่างไรอยากให้สับ ป, ประรดเป็นมะรากอได้อย่างไรเราไปอยากของที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยทุกข์กันนี่คือปัญญาสอนให้เราปล่อยวางร่างกายเพราะร่างกายนี้เราติดกับมันไงเราทุกข์กับมันเราต้องการปล่อยมันเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์กับมัน จะปล่อยมันก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรรู้ว่ามันเป็นอย่างไรรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราปล่อยมันได้ไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันต่อไปนี่คือขั้นของปัญญาปฏิปฐานนี่มีมีสามขั้นขั้นสติขั้นสมาธิขั้นปัญญาสอนสอนั่งสามระดับ แล้วก็ปัญญาก็มีหลายระดับระดับร่างกายระดับเวทนาระดับจิตอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น เ, ป, นเ ป, นป้าหมายของปัญญาเราต้องเข้าใจร่างกายต้องเข้าใจเวทนาต้องเข้าใจจิตเราถึงจะไม่ทุกข์กับมันตอนนี้เราไม่เข้าใจมันเราเลยทุกข์กับมันทุกข์กับร่างกายทุกข์กับเวทนาทุกข์กับจิต อันนี้ต้องใช้ปัญญาก่อนจะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนจิตต้องอยู่ตรงจุดที่เป็นกลางก่อนเป็นจุดที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก่อนถึงจะสอนความจริงของร่างกายของเวทนาของจิตได้อัน mm hmm. ก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนไม่ mm hmm. ใช่หยุดความคิดก่อนถ้าไม่หยุดความคิดมันก็จะไม่สงบมันก็ไม่นิ่งมันจะไม่เข้าสู่จุดที่เรียกว่าสัจธรรรู้ได้ นี่การปฏิบัติมันมีขั้นมีตอนแต่คนอ่านแล้วมันมั่วไปหมดเลยบางคนอ่านปุ๊บก็ไปขั้นปัญญาเลยปัญญาก็ทำอะไรไม่ได้เจอความแก่ก็ทุกข์เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เจอความตายก็ทุกข์เพราะไม่มีเครื่องมือไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาปัญญาจะเป็นปัญญา ได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนกันวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางทางเ c e b o o k เข้ามาสูงสุดสี่ร้อยห้าสิบสามค่ะาทางยูทูบหนึ่ง้อสิบห้าค่ะมีต่างชาติเข้ามาไหมวันนีม้มีค่ะาหายไปในหมดฝรั่งเศสก็หายอเมริกันก็หายอังกฤษก็หาย ชินลังกามาที่นี่มาอยู่สองอาทิตย์มั้งเขาขับวันที่ยี่สิบหกอ่ะเล็กเขาบอกนะมีคําถามทางบ้านไหมอาจารย์คะมีประเทศคูเวตอ่ะค่ะประเทศที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าก็เลยเป็นคนไทยเหมือนกันนะคนไทยค่ะอาทุกชื่อประเทศไหยครับอยากจะทวนดูอ่ะ ประเทศแรกอิตาลีอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมันออสเตรเลียมาเลเซียนิวซีแลนด์9สวีเดน10ฝรั่งเศส11รัสเซีย12สงิงคโปร์13ฟินแลนด์14เกาหลี15สีลังกา16นอร์เวย์17อิตาลี่18แ a e 19ไต้หวัน20ห้ฮ่องกง21สสวิตเซอร์แลนด์ ยี่ส e ิบสองอิสราเอลยี่สิบสามเวียดนามยี่สิบสี่อินโดนีเซียยี่สิบห้ากอตแลนด์ยี่สิบกเนเธอร์แลนด์ยี่สิบเจ็ดอินเดียยี่สิบแปดเบลเยียมแล้วันนี้ยี่สิบเก้าคูเวตครับเสีน้กตาลไม่มีเลยมีครับสีน้ำตาอยี่สิบห้าครับยี่สิบเกนะ้าแล้วคูเวตมีคำถามอะไรเข้ามาไมนี่ค่ะ คำถามจากคุณขวัญเรือนค่ะเวลาที่เราโมโหแล้วค่ะสติถือว่าบาปไหมคะไม่บาปแล้วมันทุกข์เท่านั้นเองบาปแปลว่าการกระทาที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเช่นไปฆ่าเขาไปรักทรัพย์ของเขาไปประพฤติผิดประเวณีกับลูกกับสามีภรรยาของเขาไปโกหกหลอกลวงเขาอันนี้เรียกว่าบาปแต่ เวลาที่เราโลภเราโกรธเราหลงนี่เราทุกข์มันก็เป็นบาป ท, ทางใจคำถามจากคุณอภิญยาค่ะเวลาที่นั่งสมาธิตัวเราจะโยกซ้ายขวาหน้าหลังควรทำอย่างไรคะก็แสดงว่าเราไม่มีสติทำไมเวลาไม่นั่งสมาธิไม่เห็นโยกอ่ะ <c oughs> ก็แสดงว่าเวลาที่เราไม่นั่งสมาธิเรากลัีสติดีกับ ดีกว่าเวลาที่เรานั่งแสดงว่าเรานั่งนี้เราไม่ใช้สติเลยเนี่ยพวกนั่งสมาธิไม่เป็นนี่พอนั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจไม่มีอะไรกำกับควบคุมมันก็เลยโยกไปโยกมา ต, ต้องนั่งแบบพุทโธพุทโธไปแล้วดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วมันจะไม่โย่ไม่โยกถ้านั่งเวลาเห็นคนนั่งสมาธิแล้วโยนแสดงว่าไม่มีสติลนะไม่ ไม่ง่วงก็หลับไม่หลับก็ <c oughs> หลับในคําำถามจากคุณอาคารินค่ะผมบริกรรมพุทโธในขณะที่ลมหายใจเข้าและออกกาหนดไปสักพักรู้สึกว่าลมละเอียดขึ้นโดยสังเกตจากลมหายใจจะเบาลงและลมจะยาวกว่าเดิมและหายใจจะช้าลงสิ่งที่สงสัยคือผมรู้สึกว่าลมหายใจกาลังจะหมดลงโดยขณะที่หายใจอยู่ ลมหายใจจะยาวมากขณะหายใจเข้าและนานมากกว่าจะหายใจออกจะยาวผิดปกติเหมือนว่าลมจะหมดไปและทําให้หายใจได้ไม่เต็มทมี่และไม่ต่อเนื่องผมจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับให้ดูเฉยๆเวลาดูลมใค่ดูลมเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติของลมของร่างกายเวลาร่างกายนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรมันก็เหมือนรถรถมันก็จะไม่วิ่ง รอบมันจะไม่หมุนเร็วเหมือนกับเวลาที่เราวิ่งเวลาเราวิ่งเหยียบคันเร่งใส่เกียร์มันก็จะหมุนเร็วนั่งกายล้วเวลาเรานั่งเฉยๆมันก็จะไม่ทำงานมากการหายใจก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ลมมากนานๆก็หายใจเข้าสักครั้งหนึ่งหายใจออกสักครั้งหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวอย่าไปวิพากวิจารการนั่งนี้ไม่ให้นะไปนั่งไปวิพากวิจารลมให้รู้เฉยๆ ให้รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังละเอียดลมกำลังหยาบลมกำลังสั้นกำลังยาวก็ให้รู้เฉยๆไปแม้จะถ้าลมหายไปก็ไม่ต้องตกใจถ้าเรายังรู้อยู่ร่างกายยังนั่งอยู่แสดนาก็ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายมันไม่ตายอย่าไปควานหาลมอย่าไปตกใจกลัวว่าลมหายแล้วไม่หายใจแล้วเราจะตายหรือเปล่า ถ้าเราตกใจบ้าจิตมันก็จะออกจากอุเบกขาเนี่ยเรากำลังดึงใจให้เขาอยู่โซยเบค้าให้สักแต่ว่ารู้แต่พอเราไปคิดปรุงแต่งว่าลมไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะตายมันก็ถอยออกมามากลัวทันทีงนั้นอย่าไปสนใจลมมันจะเป็นไงให้รู้ตามความจริงเป็นเป็นความเป็นจริงไปถ้าลมไม่มีก็ดูความว่างไปแทนดูว่าจิตเราคิดหรือเปล่า ดูตัวนี้ดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้ามันคิดก็อย่าให้มันคิดหยุดคิดไปให้มันรู้เฉยๆไป <c oughs> แล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบล้วก็จะไม่สนใจเรื่องลมลมก็จะหายไปจากการรับรู้บางทีร่างกายก็หายไปด้วยเ <c oughs> หลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้อยู่ตัวเดียวเหลืออยู่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หล แล้วก็ความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยพบมาก่อนก็จะปรากฏขึ้นมาคำถามจากคุณอัชลาค่ะทุกสิ่งอยู่ที่จิตเราปรุงแต่งเองใช่ไหมคะก็ความคิดปรุงแต่งของเรามันก็เป็นมันก็คิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีอยู่ตน้นไม้ภูเขามันก็มีอยู่มันไม่ได้อยู่ในจิตเราหรอกจิตเราไปคิดปรุงแต่งไปกับเขาเท่านั้นเองแทนที่จะรู้เฉยๆไม่ไปรู้เฉยๆ ไปคิดไปปรุงไปแต่งไปกับเขาแล้วก็ไปวุ่นวายไปกับเขาอถ้าไม่คิดปรุงแต่งมันก็จะไม่มีปัญหาเลยมันก็จะรู้เฉยๆคําถามจากคุณพัทละพงค่ะความรู้สึกเฉยๆเย็นชาไม่รู้สึกอะไรกับความรู้สึกจับแต่ว่ารู้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับอาก็คุณลองทดสอบดูสิจะมาให้เราตอบทําไมนะ ติด<ส>ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคำถามจากครูณรัตนสุดาค่ะเราจะสามารถให้คนอื่นเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเขาเชื่อว่าเมื่อสมองตายชีวิตก็ดับแค่นั้นเรื่องตายแล้วเกิดวิทยาศาสตร์ยังที่สุดไม่ได้ค่ะเราจะทําให้คนตาบอดเห็นสีเขียวสีแดงได้อย่างไรทําให้เขาเห็นสีเขียวสีแดงได้ไนห ะ, ะไม่ได้เราจะไปทําให้คนที่ก็ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิด ให้เขาเชื่อได้อย่างไงแล้วเขาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเลยก็ท่า น, นั้นเง่งลราก็เพลงแต่บอกเขาว่ามีว่า ต, ตายแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไปเกิดต่อเขาไม่เชื่อก็จ บ, จ, บจะไปทำให้เขาเชื่อได้ไงอย่างนคนตาบอดคนที่ถูกปิดตาอยู่เขาไม่ยอมเปิดตาเขาก็ไม่มีวันที่จะเห็นสีเขียวสีแดงอะไรแต่ถ้าเขายอมเปิดตาดูเขาก็จะเห็นเองสีเขียวสีแดงเป็นอย่างไ เราก็เพียงแต่มีหน้าที่บอกเขาเลยส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาคำถามจากคุณอัชลาค่ะถือศีลแต่แต่ผิดไปข้อหนึ่งบาปไหมคะแอบทานมื้อบ่ายค่ะก็ขาดทุนไม่บาปแต่ขาดทุนไม่ได้บุญคือศีลศีลที่บาปมันมีอยู่แค่สี่ข้อคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพืชผิดประเวณี พู ด, ดสินข้าอื่นทำแล้วเรียกว่าขาดทุนเดือนสุราแล้วขาดทุนเพราะจะเมาแล้วจะไม่มีสติประครับประคองใจก็จะไปทำบาปได้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ขาดทุนเพราะจะทําให้เวลานั่งสมาธิจะง่วงนอนเลยจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิเพราะโม่แต่ไปกังวลกับเรื่องการกินอาหารก็เลยไม่มานั่งสมาธิแทน เรียกว่าขาดทุนสินข้าเอื่นนี่ถ้าไม่ได้รักษาก็ถือว่าขาดทุนไม่ได้บุญแต่ไม่บาปยาั้นคนที่กินข้าเย็นก็บาปคนทุกคนเลยใช่ไหมคนที่ดูหนังฟังเพลงก็บาปคนทุกคนเลย <c oughs> ไม่บาปนะเพลงนพวกนี้ไม่ได้บุญไม่ได้ขาดทุนแทนจะเอาเวลาที่ไปดูหนังฟังเพลงมานั่งสมาธิไม่ก็มันจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิก็เลยเรียกว่าขาดทุน แต่ไม่บาไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายหเดือดร้อนไม่มีเวรมีกรรมไม่มีใครจะมาฆ่าเรา้องเวรจองกรรมเราเพะเราไปนั่งดูทีวีดูละครแต่ถ้าเราไปฆ่าเขาเนี่ยเราจะจองเวรจองกรรมเราคำถามจากคุณกามานุชิตค่ะในช่วงที่หลวงตามาหาบัวท่านยังไม่รัสังขารกับผมเคยปรามาท่านเมื่อท่านด่าคน คิดว่าเป็นพระต้องมีเมตตาไม่น่าด่ดาคนเลยอย่างนี้ผมจะบาปมากไหมครับแล้วจะมีวิธีแก้ไขความผิดบาป ท, ที่ผิดค้งในใจอย่างไรครับก็ง่ายไง <benim. S 2> ก็จุดทูกเทียนแล้วกราบท่านแล้วก็ขอขมาลาโทษส่วนท่านจะรับรู้หรือไม่รับรู้ไม่เป็นไรนไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ตัวเราให้เราสำนึกความผิดของเรารอเปล่ปาถ้าเราสำนึกผิดมันก็ เราก็จะได้ไม่ไปทำอย่างนี้อีกต่อไปต่อไปเราเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเราจะได้ไม่ไปวิพากวิจาร์ท่านเพราะเราไม่รู้ว่าท่านกำลังทำด้วยเหตุผลกลไกอย่างใดคำถามจากคุณทัศนีค่ะเวลานั่งสมาธิลมชอบขึ้นค่ะเป็นอุปสรรคในการนั่งสมาธิเพราะมันทำให้สะดุดต้องรอให้เลอออกมาจะทำให้จิตไม่ต่อเนื่องเพิ่งมีอาการค่ะ เป็นเพราะเวลาหายใจออกจนสุดหรือเปล่าคะก็อย่าไปใช้ลมหายใจใช้พุทโธแทนถ้าใช้พุทโธแล้วใช้สวดมนต์ไปก่อนจนกว่าอาการที่มันเดิมมันหายไปแล้วค่อยมาดูลมต่อไปคำถามจากคุณพัรทรพง์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ฝึกภาวนาพุทโธมาได้สักระยะหนึ่งแต่ทุกครั้งที่นั่งสมาธิคุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงฟุ้งอยู่ จะมีอุ บ, บายใดแนะนําให้การ น, นั่งสมาธิเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปครับสวดมนต์ไปก่อนนะถ้าฟุ้งก็ให้สวดมนต์ไปสวดไปในใจนั่งอยู่ในท่าสมาธินั่นแหละแล้วก็สวดไปสวดอิติปิโสไปสักร้อยจบเดี๋ยวก็หายฟุง้งคําถามจากคุณทัศนีค่ะเวลานั่งสมาธิแรกๆลมหายใจเข้าออกไม่สม่ําเสมอสักพักลมหายใจเริ่มนิ่งสม่ําเสมอ แต่รู้สึกว่าหายใจออกจะยาวลึกสุดลมหายใจค่ะอยากากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าลมหายใจในการนั่งสมาธิแบบนี้ถูกต้องไหนคะอ๋อละลมหายใจจะเป็นแบบไหนก็ไม่ไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือเราอย่าไปยุ่งกับลมหายใจให้รู้เฉยเฉยให้เฝ้าดูลมลมจะหยาบจะละเอียดจะสั้นจะยาวนี่เป็นเรื่องของลมเขาเราเพียงต้องการใช้ลมเป็นที่เกาะใจ เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนะั่นจะถูกจะผิดต้องดูที่ว่าเราคิดหรือเปล่าถ้าเรานั่งดูลมแล้วยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ไม่ถูกแต่ถ้านั่งดูลมอย่างเดียวแล้วไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าถูกคำถามจากคุณสมใจค่ะเรามาทางธรรมแล้วไปปฏบิบัติบ่อยมากขึ้นเพื่อหาความสุขทางใจแต่คนในครอบครัวบอกไม่ต้องไปมากเลยอยากทราบว่า ควรทำจิตแบบไหนคะเวลาเราไปเที่ยวเขาบอกว่าอย่าไปเที่ยวเราฟังเ้าแล้วเปล่านะพอเวลาไปฟังไปปฏิบัติธรรมหน่อยพอใครทักหน่อยกลัวทลังไปไม่ได้นะแต่เวลาไปเที่ยวนี่ใครทักยังไงใครห้ามไงก็ช่างก็ฉุดไม่อยู่ไม่ใช่เลยแสดงว่าเรายังไม่อยากไปปฏิบัติธรรมจริงแต่เราอยากไปปฏิบัติธรรมจริงแต่ให้ช่างมาฉุดก็ไม่ ก็ฉุดไไม่ไ้คาถามจากคุณนัทนานค่ะเคยนั่งแล้วได้ความสงบมีความสุขมากค่ะต่อมาใครหลังจะนั่งเพราะความอยากทุกทีรู้ว่าไม่ควรแต่แอบเด้งถึงทุกทีทำอย่างไรดีคะ <c oughs> ก็พยายามอย่าไปคิดถึงมันพยายามให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปนอนแล้วเลย Ну ไม่เป็นไรใจเย็นสบายสบายพราเจ้าคะเวลานั่งสมาธิอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยพุทโธสามารถทำให้ใจสงบได้เลยไหมเจ้าคะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนให้ละเอียดขึ้นไปพุทโธก็ทำให้สงบได้ พุโทโธพุทไปถ้าไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็นิ่งสงบตกหลุมตกบ่อได้กับพุโทโธก็ตกได้อย่าไปคิดก็แล้วกันอย่าไปคิดอะไรไม่ให้คิดว่าจะสงบเมื่อไหร่ก็ไม่ให้คิดสงบหรือยังเมื่อไหร่จะสงบสักทีพุโทโธมานานแล้วยังไม่สงบเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปไม่มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ถามจากคุณสีนวลค่ะเวลาทํางานมีเพื่อนร่วมงานพูดให้โมโหแล้วเราบ่นในใจแบบบาปมากไหมคะก็เราทุกข์ถ้าเราบ่นเราก็ทุกข์ถ้าเราสัตธรรารูเราก็จะไม่ทุกข์เฉยๆไปใครเขาพูดอะไรก็ปล่อยก็พูดไปสัตธรราฟังไปสัตธรราได้ยินไปเขาพูดปั้มมันก็จบไปแล้วเราเอามาคิดเองเอามาเอามาฟังย้อนหลังเองค่ะ เขาพูดหนเดียวตามมาเปิดฟังอีกหลายหนยิ่งฟังก็ยิ่งทุกข์ยิ่งโกรธเพราะใจเราไม่มีสติที่จะดึงใจให้เราอยู่ตรงจุดสักแต่ว่ารู้ชอบไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องราวที่มาสัมผัสมันก็เลยทำให้เราวุ่นวายขึ้นมาทำให้ใจเราสั่นขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาก็เป็นทุกข์ เ, เหตุนั้นพอมันวุ่นวายก็รีบใช้สติดึงกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธ อย่าไปคิดถึงเรื่องที่เขาพูดเดี๋ยวมันก็ลืมไปแล้วใ่ mm hmm. ไหเรื่องราวต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมานี่มากมายาย ก, ายก่าๆตอนนี้หายไปในหมดนะมันหายไปแล้วล่ะถ้าเราไม่เอามาคิดมันหายไปนานแล้วแต่พอเราไปคิดปั๊บเรื่องเก่าๆมันก็ยังทำให้เราไม่สบายใจได้ mm hmm. หมดแล้วเหรอยังค่ะคาถามจากคุณประภาวดีค่ะปฏิบัติมาจนถึงสามารถเห็นความคิดเกิดและดับได้ แต่นั่งสมาธิไปจนเกิดสภาวะสองแบบคือไม่ได้ยินอะไรหรือมีร่างกายแต่มีจิตรู้ว่าอยู่ตรงนี้และอีกแบบคือเหมือนกันตอนแรกแต่ไม่มีตัวรู้ว่ามีจิตแตกต่างกันอย่างไรคะและแต่ละสภาวะจะต้องแก้ไขอะไรไหมคะถ้ามันมันเฉยได้ก็ใช้ได้ทั้งสองสภาพเลยถ้ามันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็ใช้ได้เราต้องการให้จิตยืนอยู่ตรงจุดนั้น บางทีไม่มีอะไรให้เราลักเราชังเรากลัวเราหลงบางทีมีแต่เราไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเช็นบางทียังมีความเจ็บอยู่เราก็เฉยๆกับความเจ็บได้ได้ยินเสียงเราก็ไม่ลำาคายกับเสียงแสดงว่าอันนี้ก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งหรือบางทีหายไปหมดเลยเสียงก็ไม่ได้ยินร่างกายก็ไม่ได้รับรู้หรือแต่ตัวรู้ตัวเดียวอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน ถามจากคุณสุนพรค่ะต้นไม้ให้สติปัญญาจริงหรือเปล่าครับอะไรนะต้นไม้ก็ไปถามมันดูเลยถามเราทำไมคำถามจากคุณอินเตอร์วิ่งค่ะเคยเห็นภาวะที่เหลือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สองอย่างโดยไม่แยกว่าเป็นรูปกับนามอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับอ่าให้รู้เฉยๆยังไม่ต้องไปแยกถ้าเป็นแยกนี่ เนการฝึกปัญญาท่าการฝึกสติให้รู้เฉยๆคำถามจากคุณณพลค่ะตานอกกับตาในาถ้ามองในในแง่ของปัญญามันไม่ใช่เรื่องของตาที่ถูกต้องไหมครับตาในานี่แหละว่าตาทิพตานอกก็คือตาตาอยากตาทางร่างกายเนี่ยเราเห็นภาพต่างๆแต่ไม่เห็นทุกอย่างเช่นร่างกายเนี่ยเราเห็น ได้แต่เฉพาะถึงผิวหนังนั่นเองถ้าเราอยากจะมองลึกเข้าไปเราต้องใช้ตาในตาในก็คือตาทิศคาถามจะคุณชีวิตกล้วยๆค่ะไม่ได้ตั้งใจจะถือศีลแปดแต่แต่พฤติกรรมเราเหมือนถือศีลแปดแบบนี้ถือว่าเราได้ถือศีลแปดไปเองหรือเปล่าคะก็ถ้ามีถ้าเราถืถอศีลแปดด้วยพฤติกรรมมันก็เป็นมันก็เป็นศีลแปด ถ้าเราไม่กินข้าวเย็นนี่มันก็เป็นศินแปดถ้าเราไม่น่วมหลับนอนกับแฟนก็เป็นศินแปดถ้าเราไม่ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงไม่ไปร้องรำทําเพลงไม่ไปแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็ถือสินแปดถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆไม่ได้นอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆเราก็ถือสินแปดคําถามจะคุณเฉลิมพนค่ะอาจินตายคืออะไรครับ อจินไตยคือสิ่งที่จิตเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เหนือความสามารถของเรามีอยู่สี่ประการคือความสามารถของพระพุทธเจ้านี่มันเหนืออจินไตยเหนือกว่าความคิดของเราที่จะคิดได้ว่าพระพุทธเจ้านี่มีความรู้ความสามารถขนาดไหนเรื่องของกฎแห่งกรรมก็เป็นอจินไตยเหนือความรู้ความสามารถของพวกเราที่จะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ เรื่องของโลกว่าเกิดมาได้อย่างไรแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอะไรทํานองนี้ก็เป็นอจจิณไตแล้วก็เรื่องของชาญเรื่องของอะไร <c oughs> การเข้าชาในต่างๆเนี้ก็เป็นเรื่องอัจจินไตสําหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัตินี่คือเรื่องอัจินไตอย่าไปถามไม่เสียเวลาต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเข้าถึงถึงจะเข้าใจถ้าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเก่งอย่างไรก็ต้องไปเป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็จะรู้เองว่าเก่งยังไงถ้าอยากจะรู้เรื่องกฎแห่งกรรมก็เนี่ยก็ต้องปฏิบัติทำไปจนสามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ก็จะรู้เองคำถามจากคุณลัดดาค่ะนั่งสมาธิแล้วมีอาการคันยิบๆินั่งต่อแล้วรู้สึกว่าสงบไม่สนใจอาการคันต่อมานั่งอีกคราวนี้เกิดอาการคันพยายามภาวนาต่อแต่คราวนี้เจ็บมากจนขาสัน่น จึงลุกหายเจ็บคราวนี้ไม่สําเร็จไม่สงบโคต้องหมั่นทําต่อไปจะดีขึ้นใหม่คะก็บางเวลาสติมันไม่มีกําลังมันก็นั่งไม่ได้เวลาที่มีสติมีกําลังมันก็นั่งได้นนั่นต้องหมั่นฝึกสติให้มากๆขึ้นไม่ใช่แต่จะมาฝึกตอนเวลานั่งเท่านั้นเองควรจะฝึกสติทั้งวันเลยเด่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปควบคุมใจไว้ ให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คําถามจากคุณประภาวดีค่ะการที่เราไม่รับรู้ว่ามีร่างกายแล้วมันคืออั ป, ปนาหรือฌานคะไม่รู้ล่ะมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันขอให้เราขอให้มันเป็นอย่างนั้นก็นแล้วกันอันนั้นเป็นป้ายไม่ได้ไปสนใจหรอกว่าป้ายมันจะเขียนว่า ย, ยัางไงข้อสําคัญขอให้ใจเราสงบสักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่ง นะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงท่งนั้นนะจะเรียกว่าชานก็ได้เรียกว่าอัปปนาก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมานั่งถกเถียงกันให้เมื่อยปากเปล่าปากคถามจากคุณพีโกนค่ะพระไตรปิฎกมีพูดถึงรพระพรมพระนารายพระศิวะไหมครับก็มีเราไม่ได้ศึกษารายละเอียดแต่มีเทพมีพรมมีอะไรต่าง แล้วลนะ่ะนี่ได้พักหน่อยยัไงส่งข้อความมาเยอะแยะถามมาถึงที่นี่ไม่ถามเลยนะอะะดีพอดีด้ที่คาถามก็เลยผเขาอ่อ่าเไม่หัดกมอ่าดีว่าเวลานั่งนะคะท่านอร์ที่จะถาม ท, าาาท่านจร์ว่ามัน่วะก็ฝือ่าืนได้ก็ดีฝืนยานั่งหายง่วงก็ได้ ก็ได้่่เราาไมปออดถ้ายอมแพ้มันก็หลับทุกทีเฝืนแบบนั่งต่อไปหรือฝืนด้วยการลุกขึ้นมาเดินจมกลมก็ได้คือให้เราฝึกสติต่อไปนั่งกับพุโทโธพุโทโธไปมันจะหลับมันจะง่วงกับพุโทโธพุโทโธไปบังคับมันไปเดี๋ยวพอสติมีกําลังมากมันจะตื่นขึ้นมามันจะหายง่วงทันทีเอ่า ต, ur, ต้องทำอย่างนี้ต้องลุยต้องดันมันอย่างเดียวถ้าไปยกทงขาวมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นทุกครั้งนั่งเจอความรุ่งแล้วก็ติดแกะนอนดีกว่าใช้เวลาขับรถมาที่นี่กี่ชั่วโมงไหมออกมาตีสี่อะค่ะตีสี่ไปถวายอาหารที่วัดท่านอาจารย์มาไปถึงวัด กี่โมงเจ็ดมองอ่ะคุณยาวา่าสามชัวม่วโมงสามชัวมมช่วโมงกว่ า, า, วว า, าวที่นั่นท่านไปใส่บาทหรือว่าไปขึ้นไปที่ศาราเลยถวายที่ศาลาพระท่านอยู่ที่ศาราตอนประมาณสักกี่โมงเจ็ดโมงครึ่งแล้วท่านเดิมฉันประมาณแปดโ ม, ามงที่นี่ก็เหมือนกันที่นี่บินาบาตรหกโมงเชา้า กลับมาจากทัพบินธบัติถึงไว้ดก็ประมาณ7จ็มงสิแล้วกว่าที่ญาติโยมจะมาถวายข้าวของใส่บาทอะไรเสร็จก็ก่อนจะฉันก็เกือบเวลาจะฉันก็ประมาณแปดโมงเช้านี่ก็8ปดโมงชาก็คล้ายๆกันทุกวัน น, นะวัดป่าว่ออกบินธบัติเวลาเดียวกันาการบินธบัติของพระนี่ไม่ได้ดูที่นาฬิกาประจำนะก็นาฬิกาก็ดูแต่ดู ด, ดูแสงสว่าง เพราะว่าหกโมงในหน้าร้อนกับหกโมงหกโมงในหน้าหนาวไม่เหมือนกันหกโมงในหน้าหนาวนี่ยังมืดอยู่ยังออกบินธบาตรไม่ได้เดี๋ยวพอเข้าพอเข้าธันวาเนี่ยหกโมงยังออกบินธบาตรไม่ได้เพราะยังมืดอยู่กวจะออกได้บางทีหกโมงสิบห้าหกโมงยี่สิบถึงจะสว่างเพราะว่าในหน้าหนาวนี่พระอาทิตย์ขึ้นช้า หน้าร้อนนี่พราทิตย์จะขึ้นเร็วช่วงนี้หกออกจากวัดนี่ก็ประมาณหกโมงสี่สิบห้าก็ออกได้ต่อไปมันจะเริ่มช้าลงละเพราะช่วงนี้มันจะเริ่มเข้าสู่ฤ ด, ดูหนาวละมันจะจากหกโมงสี่ีห้าสี่สบห้าก็เป็นห้าสิบห้าสิบห้าไปเรื่อยๆแล้วกลับมาถึงวัดก็จะสายลงไปเรื่อยๆ พาเราดูโบราณเขาไม่มีนาฬิกาไงเขาใช้ใช้แสงสว่างเป็นนาฬิกาคําว่าวันใหม่ก็คือเวลาที่ความมืดหายไปแล้วความสว่างมาแทนที่ก็เรียกว่าอารุณขึ้นอรุณวิธีพระดูอรุณก็ดูได้สองวิธีดูดูใบไม้ถ้าเห็นใบไม้ชัดเป็นใบใบก็ แ, แสดงว่าสว่างแล้ว หรือถ้าไม่มีใบไม้ดูก็ให้ยื่นแขนออกไปแล้วดูลายมือของตัวเองถ้าเห็นลายมือก็อย่าอย่าไปดูใต้ไฟน ะ, าาะที่นั่นก็แข่งขันกันนะ <c oughs> เอ า, <c oughs> เ, อาเอาสายเดี๋ยววันื่นมาก่อน <c oughs> ไปก่อน ที่นี่ก็มีบางทีเรามาถึงก่อนเขาเขาแซงเลยก็ปล่อยก็แซงไปแล้วมันของมีของตายอยู่นะไม่เหดือดร้อนตายจริงจมิงางบางทีเรามาก่อนนัดหนึ่งนั้หนึงก็มาทีหลังเขาเคยเริ่มต้นตรงนั้นเขาไม่เริ่มเขามาเริ่มต้นตรงข้างหน้าเราเงยก็เห็นใจของเขาอาจจะ กลัวว่าจะไม่มีกิ น, นเขาก็เลยคือถ้าออกก่อนสว่างแล้วไปบินฑบาทตอนนี้ยังมือดอยู่แสดงว่ากำลังบินธบาตของเมื่อวานนี้เมืม่ออาหารเป็นของเมื่อวานนี้ก็เก็บข้ามคืนกินวันพรุ่งนี้ไม่ได้รูออ้จากไหมพระเลยต้องรอให้มันวันวันเมื่อเมื่อวานนี้ผ่านไปก่อนให้เป็นวันใหม่ก่อนเวลาไปบินธบาทจะได้มีได้รับอาหารว่าเป็นอาหารของวันใหม่ ถ้าไปบินตาบาดวันเก่านะไปก่อนขอนสว่างสิบห้านาทีไปรับบาตรกันก่อ น, นยังเป็นวันเก่าอยู่เป็นเมื่อวานอยู่แล้วพอมาถึงวัดเป็นวันใหม่อาหารที่บิณตบาทนี้มากินไม่ได้ละถ้าพูดตามหลักพระวินยัยเพราะเป็นอาหารข้ามคืนแล้ะข้ามวันแล้ะเขาไม่ให้เก็บอาหารพระไม่ให้เก็บอาหารข้ามคืนเอแต่พระสมัยนี้ไม่มีใครสอนนะบวชแล้วเขาก็ ปล่อยเขาเรียกอุปชาเป็ดเป็ดมันไม่เลี้ยงลูกก็ไม่รู้เส็จว่ามันมันไข่แล้วก็ทิ้งเลยแต่ถ้าไก่มันยังพาลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กก ก, ก, กหาหกินสอนลูกวิธีหาหกินหาอยู่เราอุปชาเป็ดก็คือบวชเสร็จแล้วออกจากบวถแล้วก็ไม่เจอกันอีกล้จะไปอยู่จะกินอยู่ยังไงก็ไม่รู้เรื่องละไม่ก็แล้วแต่ พระพี่เลี้ยงจะสั่งจะสอนกันสอนกั น, น, กนผิดผิดก็ก็ทําผิดกันตามมากันไปแต่ถ้าเป็นพระที่เป็นพระอุปชาที่เป็นอุปชาไก่นี่จะสอนตามหลักว่าวิไหนว่ า, า, าก่อนจะบินธบาตต้องดูแสงตะวันก่อนถึงต้องสว่างก่อนต้องเป็นวันใหม่ก่อนถึงจะไปบินธบาตได้บิณธบาตก็ไม่ต้องโลภไปตามมีตามเกิด ได้อะไรมาก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดไปต <musician. S 1> อนนี้ไม่มีใครสอนกันก็เลยกลัวกันกลัวเดียวยิ่งอยู่บันในเมืองนี่มีหลายวัดแล้วต้องไปบิณฑบาต ท, ที่เดียวกันมันก็เหมือนกับแท็กซี่แย่งผูดด้โดยสารมีลูกค้าประจำ วันนี้เหมือนวัในเหมือนก็จะมีลูกค้าประจำกันเหมือนแท็กซี่มีผู้โดยสารประจำพวกที่มีลูกค้าประจำเขาก็ไม่เดือดร้อนพวกที่ไม่มีลูกค้าประจำก็ต้องลำบากหน่อยมันก็เปลี่ยนไปชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ได้ว่ากันนะก็พูดให้ฟังเล่าให้ฟังว่า เดี๋ยวนี้การบวชเรียนนี่มันมันไม่ได้บวชเรียนกันบวชแล้วก็ออกจากบวชแล้วก็ไม่มีการสาั่งการสอนกันอย่างใกล้ชิดอะไรเพราะพระอบประชาส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าว่าสท่านก็มีภารกิจมากกิจนิมนต์กิจทางราชการกิจทางอะไรต่างๆเข้ามาตลอดเวลาท่านก็เลยไม่มีเวลามาสอนสองดูแลลูกวัดลูกวัดก็เลยเละเลทะกันนะ มีข่าวมีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีเวลามาคอยสั่งคอยสอนคอยสอน ด, ดูแลปล่อยให้อยู่กันไปตามบุญตามกรรมกันก็เลยเป็นอยู่กันตามกรรมกันมากกว่าตามบุญถ้าตามพระวิเ น, นียร์ <c oughs> พรก็ปรุงอาหารไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้หรอกปรุงไม่คนอื่นได้ไหมฮะไม่ได้ทั้งนั้นนะไม่มีหน้าที่ไม่มีอาชีพเป็นกุ๊กว่ะ เห็นที่น้ําท่วมสกลนความก็เห็นพระปรุงอาหารแจ่ชาวบ้านก็มันคือบางทีมันก็ต้องใช้คมใช้เหตุผล่ะถ้าไม่มีคนปรุงจริงๆแล้วคนอื่นพิการหมดเหีือพระที่ไม่พิการคนเดียวกันก็ต้องปรุงก็ปรุงไปแต่ถ้ายังมีญาติโยมทำอาหารได้ก็ปล่อยญาติโยมก็ทําไปเถอะเราเป็นพระเรามีหน้าที่อื่นให้ทําให้ถูกหน้าที่ดีกว่า อยังเดียวมันทำให้สับสนเลยหมดน่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไป <c oughs> มีเข้ามาอีก้ยมีค่ะอ่ะเอาเข้ามาหน่อยสักสองสามคำถามได้คำถามจากคุณพอ น, นำพาค่ะเนื่องจากอนาคตต้องเลี้ยงลูกเองเพียงคนเดียวเพราะจะให้สามีไปฝึกปฏิบัติธรรมก่อนที่วัดก่อนที่จะเตรียมตัวบวชตนเองก็อยากปฏิบัติธรรมพยายามเจริญสติขณะเลี้ยงดูลูก แต่ก็เป็นการยากเพราะสติเพราะสติมักจะหลุดเราจะใช้ธรรมะชนิดใดในการเจริญสติให้มีอยู่ตลอดเวลาขณะที่เลี้ยงดูลูกค่ะก็นี่แหละพุทโธง่ายๆลองท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธพุทโธไปเวลาจะไปคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดก็พุทโธพุทโธแทนไปต้องใจยเยน็นๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใช้พุทโธห ร, รือใช้แต่มันอยู่ที่เราไม่เคย เราเคยคิดอยู่เรื่อยๆ พ, พอเราจะให้มาหยุดคิดแล้วมาใช้พุโทโธมันก็จะไม่ถนัดเหมือนเราเคยใช้มือขวาพอเราต้องหยุดใช้มือขวามาใช้มือซ้ายเราก็จะไม่ถนัดถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่คอยบังคับมันมันก็เดี๋ยวเผลอปั๊บมันก็กลับไปใช้มือขวาทันทีนะเราต้องคอยบังคับให้มันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ Snapchat. ถ้าไม่บังคับมันเดี๋ยวมันเผลอปั๊บไปคิดเรื่องนั้นเรื่อ ง, องนี้ละเน้นต้องหัดบังคับ คำถามจากคุณน้ำปรุงค่ะคนที่มีปัญหาภูมิแพ้เวลานั่งจะมีเสมหะไหลลงคอด้านในบ่อยๆต้องกืนหรือบางครั้งจะคันคออยากไอพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมเจ้าคะก็กินยาแก้แพ้สิมียาแก้แพ้กินได้เนี่ยคำถามจากคุณประภาวดีค่ะถ้าปฏิบัติจนพระอาจารย์บอกว่าใช้ได้แล้ว ที่สามารถดับได้จนไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวไม่ได้ยินหรือบางครั้งก็ไม่มีตัวรู้ว่ามีจิตดังที่ทา่านตอบมาแล้วแต่ยังจะเรียกว่าวิปัสสนาไหมคะยังหรอกนี่เรือกสมาธิสมถะคือเรา้ลงการให้จิตนิ่งให้สักระว่ารู้ไปนานๆเราต้องการสร้างกำลังของจิตคืออุเบกขาอุเบกขานี่ก็เป็นเหมือนเวลาเราแช่น้าในตู้เย็นถ้าเราอยากจะให้น้ามันเย็นเราก็ต้องแช่นานๆ ถ้าเข้าไปแช่ปั๊บเดียวแล้วก็ออกมามันก็จะไม่เย็นไม่นานเราต้องการเอาใจที่เย็นนี้มาใช้ต่อสู้กับกิเลสเะฉั้นถ้าใจเราเย็นมากเท่าไหร่เวลาเจอกิเลส น, นี้เราจะชนะมันเราจะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่ถ้าเราไม่มีความใจเย็นนี้ออกมาเจอความโลภโกรธหลงก็สู้มันไม่ได้ยอมแพ้มันเฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราต้องการนั่งให้บ่อยๆนั่งให้นานๆ เหมือนกับแช่น้ำให้มันเย็ยนอยู่เรื่อยๆออกจากสมาธิเท่าที่จําเป็นเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นกลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆจนเราสามารถรักษาความเย็ยนของใจได้ตลอดเวลาออกมาก็เย็ยนแล้วเย็ยนได้นานเราก็ตอนนั้นน่ะเราก็มาฝึกสอนให้จิตคิดไปในทางปัญญาได้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วมันจะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ หมดแล้วยังเลยคำถามเนี่ยอ่าดีพอดีสุดท้ายคำถามจากคุณอินเตอร์บีอิงค่ะเวลาภาวนาปกติถ้าลืมตัวตอนเกิดความคิดเราก็ไม่ทันเห็นแต่จะเห็นแค่ตอนดับคือตอนรู้ทันแต่มีครั้งหนึ่งเห็นตอนมันเกิดทันด้วยถือว่าสติดีขึ้นไหมครับอ่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปมันก็จะรู้ทันกันพอจะคิดเรื่องอื่นปั๊บก็รู้ พอรู้ว่าไม่ได้อยู่กับพุโทโธแล้ขอให้เรามีพุโทโธเป็นเหมือนกับเป็นเป็นตัวตัวทดสอบก็แล้วกันถ้าเราเปพุโทโธก็แสดงว่าเราไม่เผลอพอเราไม่มีพุโทโธเมื่ไหร่แสดงว่าเราเผลอแล้วเอาลนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติ